เจ้าหญิงผีเสื้อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงสวยอาศัยอยู่เธอมีผิวพรรณที่บริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของเธอและมีดวงตาที่น่าจดจำที่ทุกคนสามารถหลงทางได้ชื่อเสียงของเธอดังไปถึงเพื่อนบ้านไม่ใช่เพียงแค่ความสวยของเธอแต่เพราะว่าความฉลาดของเธอด้วยเจ้าชายหลายคนอยากจะเป็นอสุวินในชุดเกรอบที่ส่องแสงของเธอ เจ้าหญิงมองไปที่เจ้าชายแล้วก็ปฏิเสธมีทั้งผู้ชายที่มีเวทมนต์ที่สามารถทำให้ทะเลแห้งได้ก็กลุ่มรักเจ้าหญิงพ่อมดเดินทางมาจากปราสาทเพื่อที่จะขอสกายล่าแต่งงานเจ้าหญิงข้ามาที่นี่เพื่อขอท่านแต่งงานแต่ว่าเจ้าหญิงปฏิเสธเจ้าไม่มีค่าพอสาหรับข้า นั่นทำให้เจ้าแห่งเวทมนต์อกหักพ่อมดอกหักและโกรธมากแต่เขารักเจ้าหญิงมากมากเกินกว่าที่จะปล่อยเธอไปเขายกมือไล่เวทมนต์ไปที่เธอและนั่นทําให้เจ้าหญิงกลายเป็นผีเสื้อพ่อมดจับเธอใส่ในโหลและด้วยเวทมนต์ของเขาทําให้ตะคู่หายไปก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อมดสัญญาว่าจะให้ชีวิตเจ้าหญิงคืนถ้าหากว่าเธอแต่งงานกับเขาแต่ว่าสกายล่าก็ยังปฏิเสธเขาเจ้าหญิง ทำไมท่านยังปฏิเสธข้าอยู่เพราะว่าเจ้าเนี่ยไม่มีค่าพอนะสิไม่มีค่างั้นเหรอแต่ว่าเจ้าเป็นผีเสือ้อรักข้าซะแล้วข้าจะเปลี่ยนเจ้าเป็นมนุษย์ไม่มีทางแล้วคืนหนึง่งเธอก็มีโอกาสที่จะหลบหนีแล้วเธอก็ทำสำเร็จอะไรที่จะทำให้เจ้าหยอกเจ้าหญิงที่จะ เธอหายไปการที่ต้องบินแบบนี้นี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยไปให้พ้นน ะ, ะ, ะในช่วงครู่หนึ่งเจ้าหญิงก็ลืมไปว่าเธอคือผีเสื้อเธอมองดูตัวเองและจำได้ดวงตาเล็กๆของเธอ แค่คนใหม่ของฉันคือใครนะฉันคือเจ้าหญิงเป็นผีเสื้อที่สวยอะไรเช่นนี้ทำไมเจ้าถึงมีรูปวาดของฉันบนกาแพงได้ล่ะนักวาดรูปไม่สามารถได้ยินเสียงอ้อนวอนของเธอเสียงของเจ้าหญิงแล็กมากแม้แต่ตัวไรก็ไม่สามารถได้ยินเสียงของเจ้าหญิงนี่เธอกำลังชื่นชมภาพ้าดเจ้าหญิ ง, งั่นเหรอเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเจอมา หน้าของเธอเข้ามาในฝันของฉันฉันเลยวาดรูปของเธอแต่ว่าฉันคือเจ้าหญิงนะนายกำลังทำอะไรเนะ่ะปล่อยฉันนะอย่าได้กังวลไปเลยนี่ลงไปผีเสื้อเพื่อนใหม่ของฉันนักวาดรูปจับเจ้าหญิงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือเจ้าหญิงที่เขาชื่นชอบมากที่สุดหลังจากนั้นสองวันเมื่อปีกของเธอได้แข็งแรงขึ้น นักวาดรูปปล่อยเธอกลับสู่ธรรมชาติเจ้าหญิงบินไกลออกไปไกลออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนฉันจะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ยเธอบินมาที่น้ําตกมันทําให้เธอนึกถึงน้ําตกที่เธอเคยไปทุกครั้งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงแล้วร้องเพลงของเธอด้วยหัวใจ<ม>เธอเริ่มร้องไห้แล้วเริ่มทำเพลงเศร้าโดยที่เธอ ไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้ำตกนี้เป็นบ้านของนางฟ้าเธอมีเสียงที่สวยงามเจ้าผีเสื้อน้อยฉันคือเจ้าหญิงฉันได้ยินเสียงฮัมเพลงเข้าไปในบ้านน้ำตกของฉันฮัมเพลงเหรอฉันคิดว่าฉันร้องเพลงเจ้าหญิงยังไม่เข้าใจ ว่าทั้งโลกไม่สามารถได้ยินเสียงจริงๆของเธอได้คนธรรมดานะ่ะไม่สามารถได้ยินเสียงของเธอฉันจะให้พรเธอด้วยเสียงของเธอที่มีพลังมากขึ้นแล้วเสียงจริงของเจ้าหญิงก็ถูกได้ยินเจ้าหญิงผีเสื้อได้ร้องเพลงออกจากหัวใจเสียงร้องทาให้นางฟ้าประทับใจมากเธอจึงให้พรสกายล่าอีกครับโอ้ขอบคุณนะนางฟ้า เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้นางฟ้าฟังเธอขอนางฟ้าให้เธอกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งโอ้เกรงว่าฉันคงทำไม่ได้เวทมนต์นั้นมันแข็งแกร่งเกินไปฉันสามารถทำให้เธอเป็นมนุษย์ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นท่านหมายความว่ายังไงเพียงชั่วครู่เหรอฉันให้เธอกลายร่างเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าสามารถอยู่ได้แค่เพียงสองนาทีเท่านั้นโอ้ขอบคุณขอบคุณมาก ทางเดียวที่ทำให้มนสะกดคลายได้ก็คือต้องฆ่าคนที่สะกดเธอด้วยเวทมนต์เอาไว้พ่อมดชั่วร้ายแก่นั้นได้สะกดฉันด้วยเวทมนต์เอาไว้ถ้าเธอสามารถปราบพ่อมดได้แล้วก็เธอจะกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งเจ้าหญิงถูกบอกว่าการกลายร่างสองนาทีนั้นต้องเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเมื่อสองนาทีผ่านไป เธอจะกลายเป็นผีเสื้อตลอดการถ้าเธอฆ่าพ่อหมดไม่ได้ฉันเข้าใจนางฟ้าฉันรู้ฉันต้องทำยังไงอผีเสื้อตัวน้อยของฉันกลับมาแล้วนายต้องช่วยฉันนะช่วยฉันได้โปรดละเธอพูดได้ด้วยเหรอเธอต้องการให้ฉันช่วยอะไรฉันคือเจ้าหญิงสกายล่าฉันอยากให้เธอช่วยเหลือฉันให้ฉันกลับไปเป็นมนุษย์ฉันไม่เข้าใจ เธอจะเป็นเจ้าหญิงได้ยังไงสิ่งที่ฉันรักและฉันชอบมาตลอดหลายปีเธอมันก็แค่ผีเสื้อพ่อมดชั่วร้ายหลงรักฉันแล้วเขาทําให้ฉันกลายเป็นผีเสื้อเพื่อจะเก็บฉันไว้แล้วฉันก็เกือบจะไม่รอดจากนกอินทรีชั่วร้ายฉันไม่อยู่ที่นี่เพราะต้องการหลบหนีนักวาดรูปไม่แน่ใจว่าผีเสื้อพูดได้ตัวนี้จะกลายเป็นเจ้าหญิงสกายล่าได้อย่างนั้นเหรอเธอต้องพิสูจน์ ถ้าเธอเป็นเจ้าหญิงจริงไร้สาระแล้วฉันต้องเชื่อผีเสื้อพูดได้ทุกตัวที่บินเข้ามาในบ้านฉันงั้นเหรอเขามีเหตุผลดีมากงั้นถามฉันเกี่ยวกับเรื่องที่มีเพียงเจ้าหญิงตัวจริงเท่านั้นที่จะรู้สิอพ่อของเธอให้อะไรในงานวันเกิดครบรอบหกปีนั่นง่ายมากเลยเขาให้ม้าที่สวยงามกับฉันที่ฉันขี่จนถึงทุกวันนี้ฉันหมายถึงตอนที่ฉันเป็นมนุษย์ถูกต้อง โอ้พระเจ้าเธอคือเจ้าหญิงจริงๆด้วยเป็นเกียรติมากที่เจ้าหญิงได้มาบ้านฉันใช่ใช่เป็นเกียรติมากแต่ว่าเราต้องรีบไปแล้วพ่อมดนะ่ะแน่นอนเจ้าหญิงของฉันนายทำอะไรของนายเนี่ยเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะจะให้ฉันสู้กับพ่อมดด้วยมือเปล่างั้นเหรอเจ้าหญิงฉันมีอาวุธและชุดเกราะอยู่แถวๆนี้ ไม่ใช่นักรบที่น่ากลัวที่สุดแต่เป็นนักรบที่ต่อสู้เพื่อเจ้าหญิงพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อเธอมีบางอย่างทำให้เจ้าหญิงตื่นเต้นนายวาดรูปฉันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหญิงเกิดฉันคิดว่าเธอเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ฉันไม่รู้ว่าเธอโตมาจะสวยขนาดนี้แล้วเจ้าหญิงก็คิดได้ว่านักวาดรูปคนนี้เองเป็นคนที่เธอตามหามาตลอดชีวิต เราต้องไปกันแล้วใช่ไหมเจ้าหญิงออใช่เราต้องเร่บไปที่ปราสาทของพ่อมดฉันจะนำทางให้เองพวกเขาเดินทางไปที่ปราสาทที่มืดและน่ากลัวของพ่อมดห้องนอนของเขาอยู่ข้างล่างนั่นถ้าเขานอนอยู่บางทีเราอาจจะฆ่าเขาก่อนที่เขาจะตื่นได้นะฉันก็หวังว่าอย่างนั้นฉันไม่ใช่อสุวินสักเท่าไรใครอยู่ที่นั่น โอ้พระเจ้าใครกล้าเข้ามาในบ้านฉันฉันคือเจ้าหญิงสกายล่าและนักรบผู้กล้าหาญของฉันเจ้าง่าที่ยืนซันนี่เหรอจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันอโอ้เฮ้เจ้าหญิงของฉันเธอกลายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยฉันเหรอ ก็คืออัศวินของฉันและเจ้าชายที่แท้จริงของฉันเมื่อเจ้าหญิงกำลังจะตายพ่อมดก็เปลี่ยนใจไม่ว่าเธอจะรู้สึกเหมือนเดิมหรือไม่ฉันไม่สามารถเห็นเธอตายได้เจ้าหญิงเขาหายไปแล้วแล้วฉันกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกลับบานกับเธอเจ้าหญิง พวกเขาขโมยมมาจากคอกสัตว์ของพ่อมดแล้วเริ่มเดินทางกลับเพื่อที่จะใช้ชีวิตใหม่และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป